ความหมายและขอบเขตของศีลห้าและศีลจังพวกเดียวกันนั้นที่จํากันไว้มักว่าตามที่อธิบายสืบๆกันมาในชั้นหลังในที่นี้จึงขอนําพุทธพจน์มาแสดงให้พิจารณาในเวลุทวารสูตรสั่งยุตานิกายมหาวาระรพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพราหมณ์และข้บดีชาวเวลุทวารคามว่าข้าบดีทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยาย สำหรับน้อมเข้ามาเทียบตัวหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเองอยากมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าใครจะปรงชีวิตเราผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะปรงชีวิตคนอื่นผู้อยากอยู่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 ย่อมงดเว้นจากปาน า, าติบาศด้วยตนเองด้วยย่อมจักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากปาน า, าติบาศด้วยย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปาน า, าติบาศด้วยกายสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธ์ทั้งสามด้านอย่างนี้2ออีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เรามีได้ให้ด้วยอาการขโมย ก็จะไม่เป so so like ็นข้อที่ช so so ื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 3. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าก็ถ้าใครจะประพฤติผิดในพันรยาของเราก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในพรรยาของคนอื่น ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 4. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาดังนี้ว่าก็ถ้าใครจะทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะทำลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยการกล่าวเท็จก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 5. อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่นคนอื่นเหมือนกัน 6. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะพูดจา ก, กับเราด้วยคำหยาบ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 ย่อมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยจ่อมกล่าวสันเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามด้านอย่างนี้ในราชสูตรอังคุตรนิกายปัญจากานิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายได้เคยเห็น หรือได้ยินบ้างไหมว่าบุรุษนี้ละปานาติบาตเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตพระราชาทั้งหลายจับเขามาประหารจองจําในประเทศหรือกระทําการตามปัจจัยเพราะการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทำชั่วว่าคนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตายพระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหารจองจำเนรเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะปานาติบาตเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เคยเห็นเคยได้ยินและจักได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมว่าบุรุษนี้ละอทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาทแล้วเป็นผู้งดเว้นจากสุราเมระยะมัจจะปมาทตฐานแล้วพระราชาทั้งหลายจับเขามาประหารจองจํา ในประเทศหรือกระทำการตามปัจใจเพราะการงดเว้นจากอธินนาทานจากกาเมสุนิชฉาจาร์จากมุสาวาทและเพราะการงดเว้นจากสุราเมระยมปประมัจจะปหมาตฐานเป็นเหตุพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยเลยพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถูกแล้วภิษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน มีแต่เขาจะประกาศการกระทำชั่วว่าคนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่าคนผู้นี้ประพฤติละเมิดในสตรีหรือในบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้ทำลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จคนผู้นี้ร่าสุราเมรัยแล้วฆ่าหญิงหรือชายตายคนผู้นี้ร่าสุราเมรัยแล้วลักทรัพย์เขาจากบ้าน หรือจากป่าคนผู้นี้ร่าสุรามีไรแล้วประพฤติละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้ร่ำสุรามีไรแล้วทำลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จพระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหารจองจําในประเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะอาทินนาธาน